ตอนเทศนาเรื่องชีวิตโอปปปาติกะของหลวงพ่อสุขวัดมาขามเท่าแสดงเมื่อวันที่30กรกฎาคมพุทธศักราช 2,507 าข้าชื่อสุขสวัสดีท่านทั้งหลายฉันรู้จักท่านนานแล้วแต่ท่านรู้จักฉันนิดเดียว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 เป็นโลกของชีวิตที่ใช้แต่กรรมล้วนนข้าอยากจะพูดมากกว่านี้อยากจะพูดถึงสภาพของโอปปาติกะให้มากกว่านี้แต่ก็จำใจจบเทสนาของหลวงพ่อสุขหมายเหตุ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 แต่อย่างไรก็ดีสำหรับคนที่เพิ่งจะไม่ได้อ่านได้ฟังเทศนาของท่านในฉบับนี้ไม่ได้อ่านไม่ได้ฟังมาตั้งแต่กันแรกและไม่ได้ฟังคำอธิบายเรื่องนี้มาก่อนก็ย่อมจะมีปัญหามากมายและแม้สำหรับคนที่เข้าใจายอยู่แล้วแต่ถ้าเป็นคนช่างคิดก็จะพบปัญหาอีกหลายข้อซึ่งแต่และข้อจะต้องอธิบายกันอย่างยืดยาวทั้งนั้นเพราะฉะนั้นคาอธิบายเกี่ยวกับปัญหาในเทศนาของหลวงพ่อสมเด็จข้าพเจ้าจะนาไปเขียนไวในฉบับหน้า ทุกคืนเธอก็ไดเจอแต่ทุกครั้งเธอไม่สนใจเองวันที่เธไร้ร่างกายจนสุดท้ายเธอจะเหลือแค่เพียงใจให้ลองคิดเธอจะไปไหนให้เปียลยเทียบตอนหลับฝันึงนอนหลับกับอีกร่างกายน เป็นใครในนั้นจนลืมว่าเธอเป็นคนอีกคนเรื่องราวทัในความฝันอาจเรี่ยงร้อยกันจนดูซับซ้อน ไม่ได้รู้สิ่งไรแต่กฎความดีขึ้นมาไม่ใช่แค่เงื่อนภาพลวงตายังไม่ทุกสุกใจสุขกายมือ